สการเรียนธรรมะต้องรู้ทิศทางเดินและเห็นธรรมดาของกายของใจอย่างต่ำที่สุดชาตินี้ต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้พวกเราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกคนมีกายมีใจที่สมบูรณ์พวกเรามีโอกาสดีเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมฉะนั้นถ้าหากเราได้เอาธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราได้จนกระทั่งเราได้ขั้นต่ำสุดเป็นพระโสดาบันได้เราก็จะปลอดภัย แต่เดิมเราเรเห่เร่ร่อนอยู่ในวัตสงสารเหมือนเด็กกำพร้าร่อนเร่ไปเรื่อยไม่มีพ่อไม่มีแม่โดดเดี่ยวเดียวด้ในสังสารวัตรเหมือนกับมีเพื่อนเยอะมีญาติเยอะมีลูกมีเมียมีอะไรที่จริงก็คือตัวคนเดียวนั่นแหละถึงคราวจะตายก็ตายคนเดียวนะถึงคราวลำบากก็ลำบากใครเขาจะมาทุกแทนเราได้ไม่มีที่พึ่งแต่พอเรามาศึกษาธรรมะจนเราเข้าถึงจิตถึงใจของเราอย่างแท้จริงเราจะรู้เลย เรามีพ่อมีแม่เราไม่ใช่ลูกกำพร้าไม่ใช่เด็กหลงทางอีกต่อไปถ้าเมื่อใดเราได้โสดาบันเราจะรู้เลยเราไม่ใช่เด็กหลงทางอีกต่อไปแล้วเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่จิตใจมันจะมั่นคงอยู่ในสังสารวัตนี้อย่างมั่นคงมากขึ้นโสดาบันไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะทําได้พวกเราที่มีสติมีปัญญามีความสมบูรณ์ทางกายทางใจขนาดนี้มีศรัทธาอย่างนี้ถ้ามีปัญญามีสติขึ้นมาแล้วก็ มันทำได้พระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเบื้องต้นละความเห็นผิดได้เพราะมันไม่เห็นว่ามีตัวเราต่อไปความยึดถือในตัวเราในกายในใจก็ลดลงลดลงนะถึงจุดสุดท้ายที่บรรลุพระอรหันต์ไม่ยึดถือในกายในใจอีกแล้วคืนกายคืนใจให้โลกได้ความทุกข์จะไม่มีขึ้นมาอีกดังนั้นจุดหมายปลายทางเลยก็คือต้องเป็นพระอรหันต์ต้องพ้นทุกข์ให้ได้หน้าที่หลัก ของเราในการเดินทางในสังสารวัตรนี้ไม่ใช่หาความสุขความสุขไม่มีจริงความสุขก็ชั่วครั้งชั่วคราวงานหลักของเราในสังสารวัตรนี้ต้องพ้นทุกข์ให้ได้ต้องถึงนิพพานให้ได้ม่แต่ความสุขล้นล้นทำไมจะไม่เอาทีนี้ก่อนจะถึงมรรคผลนิพพานก่อนจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ขั้นแรกสุดต้องเห็นก่อนกายกับใจไม่ใช่เรานะ ถ้ายังเห็นกายกับใจว่าเป็นเรายังปล่อยไม่ได้พระโสดาบันเห็นกายกับใจไม่ใช่เราฉะนั้นงานแรกที่พวกเราต้องมุ่งไปสู่ทําให้ได้ทําให้ถึงก็คือการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนวันหนึ่งเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราในความเป็นจริงกายกับใจไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราสําคัญผิดว่ากายกับใจเป็นเราถ้าเรามารู้กายหนึองเนืองรู้ใจหนึองเนืองจนเห็นความจริงของกายของใจก็จะรู้เลย กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่คล้ายๆเราขี้โกงเราหน้าด้านนะไปฉกฉวยเอาของโลกมาเป็นของเราเดิมอาศัยธาตุของพ่อของแม่เป็นจุดตั้งต้นอาศัยอาหารอากาศอาศัยน้ำอะไรนี้อยู่ในโลกนี้เรายืมธาตุของโลกมาใช้แต่ว่าสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราคล้ายๆไปยืมเขามาใช้แล้วขี้ตู่ทีนี้เราคอยรู้คอยดูนะ รู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสนางานของวิปัสนาคือคอยรู้กายตามความเป็นจริงคอยรู้ใจตามความเป็นจริงวันหนึ่งเห็นความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเพอเห็นตรงนี้เรามีทิศทางแล้วเราปลอดภัยแล้วท่านเปรียบเทียบนะว่าคนทั่วไปเหมือนคนที่ตกอยู่กลางทะเลไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ไม่มีทางช่วยตัวเองอย่างไรก็ต้องจมน้า พระพุทธเจ้าเหมือนคนที่อยู่ประพาคารจุดโคมไฟจุดประทีปแสงสว่างชี้ทิศทางให้เรารู้ว่าชายฝั่งอยู่ทางไหนคนที่รู้ทิศทางว่าชายฝั่งอยู่ที่ไหนนี่แหละเรียกว่าพระโสดาบันยังละกิเลสคืนไม่ได้สักตัวเดียวเลยนะละความเห็นผิดได้เท่านั้นเองเพราะรู้ทิศทางแล้วว่าทิศทางคือมุ่งไปสู่การละความยึดถือในกายในใจเพราะว่าโอกาสละก็มีเพราะเห็นความจริงแล้วว่าไม่ใช่ตัวเรา ดังนั้นพระโสดาบันเหมือนคนที่ตกอยู่กลางทะเลแต่รู้แล้วว่าทิศทางที่จะเข้าฝั่งอยู่ที่ไหนพระสกิทาคามีคือคนที่ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งใกล้เข้าไปเป็นลำดับลาดับพระอนาคามีเหมือนคนที่เท้าหยั่งถึงชายฝั่งยังอยู่ในน้ำนะแต่เท้าแตะชายฝั่งยังถูกคลื่นกระแทกกระทันอยู่แต่ว่าพอรอดแล้วพระอรหันต์คือคนที่ขึ้นบกได้ขึ้นบกได้ก็คือสามารถละความยึดถือในจิตในใจนี้ได้ ละได้ก็เพราะเห็นความจริงว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้นล้วนนะถ้าตราบใดเห็นว่าจิตใจนี้ยังทุกข์บ้างสุขบ้างจะละไม่ได้ยังดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆถ้าปัญญาแก่รอบเห็นขันเป็นทุกข์ล้น้วนถึงจะวางได้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้รู้ทุกข์ถ้าเมื่อใดเห็นขันห้าเป็นทุกข์เรียกว่ามีวิชชาและอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจข้อแรกคือไม่รู้ทุกข์ ไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์เพราะคิดว่าเป็นตัวดีนะหรือว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ายัางเห็นอย่างนี้ไม่ละหรอกไม่คลายความยึดถือฉะนั้นคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจการปฏิบัติไม่มีเกินกายเกินใจนี้ออกไปหรอกเรียนรู้กายรู้ใจตามธรรมดาหรือว่าธรรมดาของกายของใจเป็นอย่างไรธรรมดาของกายของใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเรียนให้เห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจ ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้เกิดสภาวะเหนือธรรมดานะพวกเรานักปฏิบัติร้อยละร้อยมุ่งเอาดีอยากสุขอยากสงบไม่มีใครมุ่งที่จะเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงคือเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่มีใครมุ่งตรงนี้มีแต่มุ่งจะหาความสุขความสงบความดีอุตส่าห์ภาวนาถ้าเป็นแทบตายหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีดีถาวรด้วยหวังว่ามันจะสุขถาวรด้วยหวังจะให้จิตใจมีแต่ความสงบร่มเย็นถาวร นี่เราไปอยากได้สิ่งเหล่านี้ความสุขถาวรความสงบถาวรความดีถาวรไม่มีในโลกนะขันห้านี่ไม่เที่ยงขันห้านี้เป็นทุกข์ขันห้านี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครไปทำให้มันสุขถาวรสงบถาวรดีถาวรไม่มีใครไปบังคับควบคุมมันได้อย่างแท้จริงฉะนั้นคนส่วนมากภาวนาแล้วหลุดพ้นจากสังสารวัตไม่ได้ก็จะดิ้นรนไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆ จริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเลยง่ายสุดๆเลยรย่างกายเป็นอย่างไรรู like you ้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจทันทีที่เราคิดเรื่องปฏิบัติเราจะดัดแปลงกายดัดแปลงใจทันทีเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้มันไม่เหมือนธรรมดาเคยเดินสบายๆก็เดินให้มันไม่เหมือนธรรมดาจะกินอยู่หลับนอนก็ทาให้มันไม่เหมือนธรรมดาไปหมดจิตใจก็ทาให้มันผิดธรรมดา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 รู้กายว่าธรรมดาของกายเป็นอย่างไรรู้ใจว่าธรรมดาของใจเป็นอย่างไรรู้จนวางมันวางเองมันเห็นว่าโอ้ธรรมดาเข้าใจไม่มีใครทําให้มันเหนือธรรมดาคือสุขถาวรสงบถาวรดีถาวรได้มันวางเองฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆไม่ได้มีอะไรยากสักนิดถ้าเมไรรู้สึกว่าการปฏิบัติยากให้รู้เลยว่าทําผิดแน่นอนทำไมยากละ่ะ ก็อยากบังคับมันพอบังคับมันแล้วบังคับไม่สำเร็จก็เลยรู้สึกยาก